ที่ยายสันสกฤตวิกรมาจลิตนะคะเราได้เริ่มต้นเล่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งมีชื่อว่าสิงหาสนะทวารทิงสติกาอันเป็นเรื่องราวของอาสนะที่ประอินทประทานมาให้ท้าวิกรมาทิตย์เป็นกระซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมที่สุดนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนิทานเวตาล น, นะคะเรื่องนี้ยิ่งแสดงถึงความมีคุณธรรมของ เท้าพิกรณทิตย์แห่งกรุงอุเชยนีนะค ะ, คะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยาาศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรีแย้มนาดาซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะอักรศาสสมัยที่แอนเรียนอยู่เนี่ยท่านได้เป็นผู้แปลและเรียบเรียงนะคะแล้วแอนกอ็ต้องบอกว่าคือติดตามผลงานของอาจารย์มาตลอดนะะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สอนภาษาบาลีให้ซึ่งตอนสมัยเรียนนะคะคุณจิยุทไม่ค่อยได้เรื่องแต่ว่าใช้วิชาของท่านมากที่สุด นะคะหรือว่า<ะ>โอ้เรียนหดไหลหกหายหกตกหล่ น, นอาจารย์ก็คงจะอ่อน อ, อกอ่อนใจกับลูกศิษย์คนนี้นะคะคแต่ว่านาขานี้อาจารย์ขาตอนนี้ลูกศิษย์อายุได้5้าปีเนี่ยได้ใช้ของอาจารย์ที่กระแดนน้อยที่สุดมากที่สุดเลยะน ะ, ค, ะครับแล้วก็อยางติดตามผลงานของอาจารย์ด้วยนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันนะฮะว่า คะแนนเรียนในสมัยเรียนอาจจะบอกอะไรเราได้ไม่หมดนะค่ะข้างๆเข้า <c oughs> ข้างต่ว <c oughs> เองเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เ, เรื่องมาถึงตรงไหนแล้วฮะอาจารย์ <c oughs> เฮ้ยนะคะอาจารย์ดรศศิยะนัทธดาเนี่ยท่านได้ขึ้นต้นเรื่องนะคะซึ่ง <c oughs> แอนก็จะขอย้อนกล่าวนะคะเพื่ อ, อเป็นอนิสงส์ของท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับ <c oughs> ด้วยคําว่าข้าขอพรว่าตราบใดก็ตาม ที่ชนทั้งหลายยังเล่าขานเรื่องราวของพระเจ้าวิกรมารกะอยู่ตราบนั้นขอให้อานิสงส์จงบังเกิดแก่ผู้ฟังโดยถือว่าเป็นบุญญาดิเลกผู้ใดได้ฟังก็จะรุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงเกียรติยศร่าผนานานับประการมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีความเก่งกล้าและสิ่งอันดีงามต่างๆเป็นทวีตรีคูณขอให้เรื่องที่เล่าขานนี้เป็นอมตะ และยังยืนบนพื้นพิภพนี้มีรู้วันสิ้นสับก็เปอันว่าท่านผู้ฟังก็เรียกว่าได้ทั้งเนื้อหาสาระคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี ร, รวมทั้งข้อคิดคติและยังได้บุญอีกด้วยนะคะตามคําให้พรของผู้ประพันธ์เรื่องนี้นะคะซึ่งาอาจารย์ศักดิ์ศรีอเตอร์ศักดิ์ศรียานนาตาได้แปลมานะคะและก็จันแอน เป็นผู้มาเล่าแล้วก็วงเล็บเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> เพื่อให้เกิดอัทรรชนะคะซึ่งผิดพลาดครั้ะบัญญัใิของพระอ า, าจารย์ด้วยนะคะ <c oughs> ในเรื่องสิงหาสนะทวารตรงสติการนี้นะคะได้เล่ามาถึงเรื่องราวของพระเจ้าโพชะ <c oughs> นะคะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่พปีให้หลังนะคะพระเจ้าโพชะก็ได้มาค้นพบนท้องพระลง ซึ่งที่ท้องพระโลงนั้นเนี่ยนะคะเมื่อขุดลงไปได้สักประมาณ8เมตรเศษเนี่ยก็พบสิงหาสนธวาเต่งสติกาแทนพระอ่านที่ล่ํำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักนาก็คือพระจินนาวิกรธรรมทิตย์ครับนะคะและพระองค์เนี่ยก็ได้ทําพิธียัญยบูชาแล้วก็นํามาปฏิสถานในท้องพระโลงแห่งเมืองทารานะคะแล้วก็กษัตริย์ก็ได้ทรงยกย่องเสนาบดีซึ่งเสนาบดีคนนี้เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวว่า เสนาบดีที่ดีถึงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้เล่าเรื่องในอดีตนะคะถึงความดีของเสนาบดีคนหนึ่งนะที่มีนามว่าพระหุสรุตที่ได้ปกป้องอความเสียหายที่พระราชานันะนะได้หลงผิดกระทำพราหมณ์คาดนะเรื่องราวก็ได้ดำเนินมาถึงที่ว่าพระราชานัฐเนี่ยไม่พอพระทัยที่ พราหมราชครูของพระองค์ซึ่งอยู่ในวังเนี่ยได้ไปตำหนิผู้ที่วาดนะหรือว่าจิตตะเลขานะนะคะว่าวาดเนี่ยรูปของพระมเหสีของพระมากษัตรนินธนาเนี่ยวาดไม่ละเอียดนะคะขาดไฝที่สะโพกซ้ายซึ่งปกติแม้เห็นอะไรลึกล้ำอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้พระราชาเนี่ยทรงมีข้อกังขาละขายใจ ในที่สุดก็สั่งให้อมานเนี่ยนำพระหุสรุตเนี่นะคะนํามหากรุซึ่งหากรุคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเก่งมากเป็นพรามนะชื่อสารทานันทนนี่นะคะ ใ, ให้เอาไปประหารแต่ว่าเนื่องจากว่าในสมัยนั้น ม, มีความเชื่อว่าหากประหารมหาพราหมณ์ผู้ทรงคุณความดี น, นะคะผู้ติดต่อกับเทพได้เนี่ยเป็นบาปอย่างหนักนะคะก็อครมหาเสนาบดีเนี่ยผู้นี้เนี่ย มีนามว่าพระหุสรุษเนี่ยก็นำไปซ่อนไว้ที่บ้านของตนต่อมาก็เกิดเหตุใ น, น้ น, นีเรื่องย่อความเดิมกับตอนที่แล้วชัยบาลพระโอรสเนี่ยเข้าป่านะคะก็ไม่มีคุณธรรมต้องบอกว่าอย่างนี้ถูกเสือไล่ขึ้นต้นไม้มีปกป้องเอาไว้เสือยุ่หน่อยเดียวก็ถีบมีตกลงไป ทั้งที่หมีเนี่ยช่วยให้ทีนวล น, น, น, นะฮะแล้วหมีเองก็ถูกยุโยงแต่ว่าหมีเนี่ยยังหนักแน่นกว่ามนุษจะอีกนะคะแล้วก็บวชมนุษย์ใหญ่เลยหมีก็เลยสาบแซงแจ้งว่าให้เป็นบ้าแล้วก็ท่องสะเสมีลาไปตลอดครับซึ่งฝ่ายทางนาครวิสาลาณท้องพระโรงทารานี่นะคะก็เรียกว่ามหาฤทธ์ ก, ก็รีบนําขาไปกราบทูนพระเจ้าแผ่นดินราชันท่าก็มีความตกใจนะคะก็ตรับเรียกพระหุสรุษเสนาบดีมาเฝ้า ว่าลูกเหล่าเนี่ยเอกไปล่าสัตว์ในเวลาที่เกิดลางร้ายเรื่องลางร้ายความฝันมีมาแต่โบราณทั้งไทยจีนอินเดียนะคะเนี่บเชบาลก่อนออกที่จะออกไปล่าสัตว์ก็เกิดลางร้ายต่างๆนานาเช่นลูกเห็บตกฝนตกใหญ่นะคะผิดฤดูกาลแผ่นดินไหวพายุกระหน่ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ออกไปก็หายไปนะคะ พระอสรุษนี่ก็จัดเตรียมกระบวนม้าตามเสด็จนะก็พระราชาทรงม้าพระที่นั่งแวดล้อมด้วยองค์ขลักนะคะในที่สุดก็พบพระราชบุตรวุ่นเวียในป่าอย่างคนไร้สติสัมปชัญญะคือบ้าไปแล้ววงเล็บนะคะอาจารย์ศักดิ์สิทธิท่านไม่ได้เขียนอย่างนี้นะคะป้าก็พร่ำเนื้แต่คําว่าสะเสมิลาพระราชาทรงเศร้าเสียพระไทยมากพระพระโอรสกลับพื้นสู่พระนครตัดเลขประชุมในแพทยหลวงตลอดจนแม่มดหมอพีไม่รู้แหละ ชุมนุมประชุมกันใหญ่โตเลยล่ะค่ะผู้จำนานสัยเรศทั้งหลายเนีช่วยกันแก้ไขแต่ก็ไ ล, ล้ผลพระราชาสิ้นสติปัญญาตัดถามพระหุสรุตยังท้อใจเป็นอย่างยิ่งว่าพระหุสรุตเอ้ยข้านาจนปัญญาจริงๆรินี่ถ้าท่านราชจกจูรสารณทานันทานะยังอยู่เนี่ยข้าคงจะได้พึ่งพาให้ท่านช่วยรักษาลูกข้าได้เนี่ย นะคะคือเพิ่งมาย้อนคิดว่าคนที่มีฝีมือที่สุดในแผ่นดินเนี่ย <ฮะ S 1> ได้ถูกประหารไปซะแล้วมามาคิดแบบนี้ก็สายไปซะแล้วเออถ้าสั่งให้ประหารท่านราชครูซึ่งอาจจะไล่ความผิดไปก็ได้ยิ่งกว่า น, นั้นข้าลืมไปว่าคนเราจะทําอะไรควรมีสติพิจรารณาให้ดีซะก่อ น, นประโยคนี้สาคัญนะคะท่ามาคิดได้ทีหลังนะฮะค่ะครับก็แหมแห ม, แมคิดไปก็หากไม่ทําอย่างนั้นบุคคลก็ต้องประสบผลร้ายคือถ้าไม่คิดแลให้ดีซะก่อนทําอะไรโดยโทสะ นะคะหุ่นหันพันแล่นอัครมาหาเสนาบดีก็นิ่งฟังยังไม่รู้ว่าพระราชาจะเอาอยัางไงนะคะวงเล็บก็ไม่ออกความเห็นพระราชาก็ตรัสต่อไปว่าเอาเถอไหนๆเรื่องก็ผ่านไปได้แล้วคิดไปกระป่วยการข้ากําลังคิดว่าข้าจะป่ประกาศทั่วเว้นแคว้นว่าใครดีมีวิชาสามารถช่วยรักษาลูกไข่เป็นปกติได้ก็จะแบ่งอนันต์จากครึ่งหนึ่งเป็นรางวัลไปเร่งป่าประกาศโดยเร็วเถอะประหูสรุตรับ พระราช อ, องค์การออกมาจากการดามพระประสงค์แล้วก็กลับมายัางเขีหาดของตนเล่าเรื่องทั้งปวงให้สารานันทนะฟังพราหมณ์สารานันทนะก็กล่าวว่านี่เนี่ท่านมหาเสนาบดีข้าในเห็นหนทางจะแก้ไขได้อยู่ท่านจงกลับไปเฝ้าพระราชาเถนะกล่าวเพิมว่าท่านมีหล้านหญิงคนหนึ่องอายุเพิ่งเจ็ดขวบแต่มีความจานิจํานานในมนลสายสามารถเข้าใจสมุตรฐานของโลกได้ทุกชนิด ถ้าพระราชาส่วนพระไทยก็ขอให้พาเจ้าชายมารับการรักษาที่บ้านของท่านรีบไปกราบทูลเถอะเมื่อได้ทราบเรื่องจากเสนามดีพระราชามีพระไทยเตลียนไปด้วยความกระตือรือรน้นก็รีบพาพระโอรสเสด็จมายังเครือข่าของพระโอสรสในทันทีเมื่อพระราชาและพระราชบุตรประทับบนอาสนะในห้องโถงที่มีม่านหนากั้นอยู่ ก, กลางๆสารัานันทนะก็ไปแอบอยู่หลังม่านแกล้งดัดเสียงเป็นดลรุณีแรกรุ่น คงจะแหน่อยนะคะคุณชูนุก็กล่าวมาจากหลังม่านว่าพระราชบุตรมีปัญหาอะไรก็กลัดมาเถอะราชบุตรก็ไม่รู้เรื่องค่ะคุณชูก็เอ่ยแต่คําสะเสมิลาซ้ำๆอย่างเงี้ยนะคะสารณาสารธานิทนาได้ยินก็กล่าวเป็นโซโลปภาษาสันสกฤตที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสระเราแปลเป็นไทยเลยนะคะครับคือเราไม่ได้แปลเนี่ยอาจารย์ศักดิ์ศรีท่านแปลว่าเป็นการฉลาดนักหรือ ที่บุคคลจะทรยศต่อผู้ซึ่งมอบความไว้วางใจแก่ตนจะถือว่าเป็นวีรกรรมอย่างหนึ่งกระ น, นั้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบังอาจฆ่าบุคคลที่ให้อบของตนเป็นที่ซบหลับนอนอย่างเต็มใจคือเจ้าหมีะ่ะค่ะนะฮะให้หลับนอนพอได้ฟังโซโลกบทนี้วงเล็บนะคะคเจ้าฟ้าชายตรนี้ก็สะดุ้งเฮือบพยางค์ที่ถูกสาปคือสะ ก็มาลายหายศูนย์จากโอุตของพระราชบุพนธเกิดได้ครัว่าได้คิดนะเกิดทลันได้คิดมีสติขึ้นมาว่ามันท่านได้ทำอย่างจริงจังพระอรสสารทานันธนะก็กล่าวสรุปบทต่อไปซึ่งขึ้นด้วยต้นด้วยต้นพยางค์วสีใเป็นภาษาสังกฤตนะคะแปลใจความว่าโดยการไปสู่รามาเสะพานพรครามไม่มีเลมี ผ่านพระามะเฉยๆซึ่งทอดค่ามหาสาครอันเป็นที่รวมแห่งกระแสพระคงคาความผิดความบาปของผู้ค่าพรามย่อมถูกกระจัดให้หมดไปแต่ผู้ทรยศ ต, ต่อสหายที่ดีของตนนั้นอาจจะไถ่าบาปได้ไหมนะฮะอาจจะถ่ า, ถายไถบาปได้ไหมคือคนทรยศ ต, ต่อเพื่อนเนี่ยโอ้โหมันบาปมากพอฟังโซโลกนี้ราสบุตรก็คงสะดุ้งอีกลกค่ะกยาที่สุถูกสาบคือเสก็ หายไปเลยบทที่3บทที่4ก็กล่าวทํานองเดียวกันนี่แหละค่ะคุณชยุตเป็นทํานองซ้ำๆว่าผู้ที่ทรยศ ต, ต่อสหายเนี่ยรหรือว่าทรยศ ต, ต่อศั จ, จวาจาหรือทรยศ ต, ต่อผู้ที่มอบความไว้วางใจเนี่ยไม่ดีเลยนะคะก็มีความว่าผู้ทรยศ ต, ต่อมิตรก็ดีคนอักกตันยูก็ดีและคนผู้ทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจก็ดีสามประเภทนะคะครับกกตันยูนะคะ ทอริยต่อมิต ร, รทำลายความไม่เนื้อเชื่อใจอละชีพแล้วต้องไปสูน่นรกภูมิเป็นเวลานานแสนนานจนกว่าสุริยันจันทาจะประราชคือหายไปจากแผ่นฟ้าโอ้ก็โชวกลับโชวกันนะครับโอ้ลาชะแม้พระองค์จะประสงค์จะช่วยพระราชบุตรให้พ้นความพิบัติขอได้โปรดเอื้อเฟอื้อบำ ร, รุงแก่พรามเธอเหมืนทบุญนะคะเพราะพรามนั้นเป็นผู้อยู่ในบรรณะอันเลิศกว่าบรรณะทั้งปวง จะเป็นพุทธศาสนาเราก็บำรุงพระพุทธประธรรมประสงค์สิ้นถ้อยคำของสารทานันทนะพระโอรสของพระราชาก็หลุดพ้นจากคำสาบกลับเป็นปกติตามเดิมพระราชบุตรเมื่อมีสติสัมปชัญญะคืนมาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระบิดาฟังโดยตลอดพระราชาก็ถามสารทานันทนะถึงตอนนั้นปลอมเป็นหญิงเจ็ดขวบนะอยู่นั่งอยู่หลังม่านมีแต่เสียงออกมาโอ้แม่หญิง เธอก็อยู่ในบ้านเรือนอายุพ็ยังน้อยไม่ได้เคยเข้าไปอยู่ในป่าลึกแล้วไปรู้คํากล่าวของหมีเสือแล้วก็ลูกของเราทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรสาราทานัทนทะจึงกล่าวมาจากหลังม่านว่าพระเทวปุโรหิตนะหมายถึงพระปรหัสบดีผู้เป็นครูแห่งทวยเทพทั้งหลายถ้าหมายถึงเทวปุโรหิตคือก็จะหมายถึงครูก็คือพระประหาเนี่ยนะค ะ, คะและพระแม่เจ้าสาราหมายถึง พระสลัสวตีก็คือชื่อของพระนางตัวนี้แหละค่ะคซึ่งเป็นเทวีแห่งความเฉลิมฉลาดสถิตยอยู่ที่ลิ้นของข้าฉะนั้นข้าจึงมีความรู้แม่นยำราวกับตาเห็นแม้ในกรณีที่ฝฟของพระนางพานุมาตีที่อยู่ตรงประสงนีเบื้องซ้ายาสะโพกก็เช่นเดียวกันระชาทรงตกตะลึงประหลาดพระไทยลุกจากอาสนะกระชากม่านขาดทันที ก็ได้ปจัจจา น, นากัรสารทานันทนาผู้นั่งสงบอยู่หลังม่านพระราชาและผู้ติดตามทั้นปวงก็เลยก้มลงแสดงความเคารพต่อ ร, ราชครูพร้อมกันแล้วจากนั้นอัครมหาเสนาบดีพระหุษุลุตก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่จนได้กระทําลงไปพระราชาก็กับดีพระไทยนะคะคก็กไม่เสียแก่พระหุษุลุศว่าเออท่านหาเสนาพราะเหตดที่ข้าได้คบค้าสมาคมด้วยท่านผู้ชานฉลาด คบบัณฑิตคบควรฉลาดข้าจึงได้หลุดพ้นจากความอับประยศและพิบัติภัยทั้งปวงประโยคนี้สำคัญนะคะคบบัณฑิตคือบางทีบุคคลที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับเพียงแต่อื้อเอ่ยว่าจะมาเล็กน้อยว่าแม่ในคนนี้นี่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้ามันเลยอีกสองวันตายอ่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเสงาบดีท่านนี้มีวิจารณญาณนะครับช่วยยับยั้งชมนะคะว่าเชนี้แลจะเห็นได้ว่า การเสมานาด้วยบัณฑิตมีแต่จะนำความเจริญและประโยชน์มาให้อย่างเดียวนะคบด้วยเหตุนี้โบราณจึงกล่าวว่าการคบหากับบัณฑิตย่อมยังความโศกาดูในปัจจุบัน<ม>และการคุกคามจาะแัรพิบัติในอนาคตให้สูญสิ้นไป ค, ค, คขา้าใจหมคว่ายังความเส้าโศกเศร้าไฟพิบัติคุกคามทั้งหลายหมดสิ้นไปเลยถ้าคบกับบัณฑิตมีแต่เรื่องดีๆมีอุปมาดั่งบุคคลผู้ใดดื่มน้าในแมรักคงคา ย่อมอยังความกระหายให้สิ้นไปและยังกาจัดซึ่งความผิดความบาปทั้งโป่งให้หมดสิ้นไปด้วยก็คือคบสิ่งที่ดีคนที่บริสุทธิ์นะคะอยู่ในความดีอยู่ในศ า, าสนายิ่งกว่านั้นท่านยังได้ช่วยเหลือลูกเราให้พ้นจากไนะัยณะพระราชาองค์ไหนก็ตามที่มีเสนาบดีอันทรงคุณธรรมล้ำเลิศอย่างท่านถือว่าพระราชาองค์นั้นเนี่ยมีมิตรที่ดีแล้วก็มีโชคยิ่งอย่างยิ่ง เมื่อพระราชานันฐ์กล่าวคำสดุ ด, ดีต่อมหาเสนาบดีแล้วก็ได้ประทานพระสตลาพรและทรัพย์สินนาประการแก่มหาเสนาผู้นั้นเป็นอันมากโดยประการชนี้แลาการมีเสนาบดีผู้ไว้วางพระไทยได้จึงนำความเจริญความสำเร็จมาสู่พระราชาและวแว่นแคว้นดังเรื่องที่เล่าถวายมานี้ครับพระราชาปูชะเมื่อได้สดับถ้อยคำแห่งสนามเสนาบดี ก็ทรงคำนงถึงความเป็นจริงที่ได้ทรงประสบมาบนะคะ่ะณบัดนี้ทรงได้พระแทนสิงหาสนาทวาวตริงสติกาศักรสนาบดีคนนี้ด้วยความคิดเนี่ยนะคะก็ทรงมีพระไทยปราโมทก็ตัดเบิกพระราชทรัพย์อันมากมายมาประทานเป็นรางวัลเกษนาบดีผู้นั้นหลังจากที่ได้โปรดให้ปฏิษถานพระแทนสิงหาสนาทวาวตริงสติกาไว้ที่ท้องพลงที่ประชุมมนตรีอันประกอบไปได้วยสาวนางจารันถึงหนึ่งพัน และตกแต่งวิจิตการตาด้วยทองคำและแก้วมณีงานบริยิประยับเมื่อได้สุพโลกสุผเลิกอภิลักษ์ขิตการอันโหราจารย์กำหนดแล้วครับพระราชาทรงภูษนาพอรอันมีค่าควรเมืองสวมมงกุฎเพชรัลั์ถือพระแสงดาบด้ามนาคาอันรจิตดาบพญ า, านา ค, คสเสด็จเข้าสู่พระโลงทาลกกำนันท่ามกลางแสนเสวากามาศมนตรีครับข้างสเสด็จขึ้นสู่พระแท่นทิพยพญาอา โดยทรงเหยียบลงบนศีรษะของตุ๊กตาตัวที่1อันเป็นบันไดขั้นแรกทันทีครับนะคะคุณสมบัติของท่านเสนาบดีพหุสรุตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษานะ่ใจค่ะก็เป็นเรื่องที่1ที่ตรูค่ะเป็นเรื่องสําคัญคเพราะว่าเราจะหาบุคคลท่านใดที่จะปฏิบัติตัวเสมอเหมือนเนี่ยถ้าพูดถึงสังคมปัจจุบันก็ลําบากหน่อยและนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพระหุสรุตได้ทําลงไปเนี่ยก็เสี่ยงต่ออาญาแผ่นดินในข้อแรกนะครับค่ะ ข้ที่สการที่จะเผค้านบุคคลผู้เป็นผู้นำเป็นถึงระดับกษัตริย์นะฮะอันนี้อินเดียสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นระบบเทวะราชาด้วยเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> สั่งเป็นก็เป็นเป็นสั่งตายเป็นตายแหละนะครับเพราะฉะนั้นความมีปัญญาสูงสุดและไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนะฮะบุคคลที่เป็นบัณฑิตอย่างนี้ยก็พบหายากมากแล้วครับอาจารย์ครับ <Okay. S 1> อย่างน้อยที่สุดได้ศึกษาคุณสมบัติแล้วก็ต้องดูนะฮะ <Okay. S 1> ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับทุกวันนี้ค่ะ okay. ทีนี้เรื่องราวของตุต๊กตาตัวที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สั้นแต่กินใจความหมายนะค ะ, คะเพราะว่าทันทิทีท้าโูชาก้าวประบาดขึ้นเหยียดศีรษะของตุ๊กตาตัวที่หนึ่งเนี่ตุ๊กตาแก้วก็พูดได้ค่ะก็ะะบอกว่าชาก่อนราชาอย่าเพิ่งก้าวนี่เป็นพระแท่นของท้า ว, วิก ร, รมาทิตย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐเมื่อพระองค์จะขึ้นไปประทับบนลัตนาบรรยงนี้พระองค์ทรงแน่พระไทยแล้วหรือว่าพระองค์ะ เ, เป็นผู้ที่เหมาะสมสําหรับพระแท่นนี้ โปรดฟังเรื่องราวของท้าววิก ร, รมาธิติที่กัปเจ้าจะเล่าถวายซะก่อน บ, บางทีอาจจะทรงเปลี่ยนพระทยัยพระชาวก็ทรงลังเลนะคะว่าอเล่าไปสิตุ๊กตาอับซรก็เล่าเรื่องถวายว่าสมัยก่อนเนี่ยท้าววิก ร, รมาธิติมีน้ำพระทัยกว้างขวางอย่างหาค่ะใครเสมอไม่ได้เพียงแต่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ยากไร้หรือยาจกแม่เพียงแวบเดียวพระองค์ก็จะประทานเหรียญทองคําให้แก่ผู้นั้นเป็นจํานวนพันเหรียญถ้าพระองค์ตรัส ด, ด้วย ก็จะได้เหมือนเหนรียญถ้าพระองค์แย้มสวนต่อเขาก็จะได้แสนเหรียญถ้าพระองค์โปรดปรานพระองค์จะประทานให้ถึงโกดทีเดียวรพระองค์จะทรงรักษาขนบนี้อย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นขุนคลังของพระองค์จึงต้องคอยแจกจ่ายพระราชทรัพย์ตามพระทัยของพระองค์อยู่ตลอดเวลาอราชา่าเมื่อทรงทราบความนิ่งใหญ่ของพระราชาวิกรธรรมทิตย์ดังนี้แล้วพระองค์กจะคิดก้าวขึ้นประเทศนี้ต่อไปอีกหรือพระราชาโพชะมิได้ตัดตอบนะคะ แต่ยกพระบาทขึ้นเหยียบศีรษะตุ๊กตาตัวที่2ทันทีครับแม่นี่เฉพาะตั ว, <ส>ตวที่1แ่<น>ะ 1> ระองค์มั่นใจว่าเพราะรองค์มีอมาตย์ดีนะคะสองพระองค์เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมากไปด้วยทานบา ร, รมีนะครั บ, รบนี่เป็นคุณสมบัติในข้อแรกเลยนะครับของผู้ที่จะได้ศึกษาโดยละเอียดนะครับว่าท่านวิกรติเนี่ยท่านได้ปฏิบัติอย่างไร